ตมัดจบเจ้านี้กราบนิ ม, มนต์หลวงพ่อทลงสุขท่านก็จบกลัวเหมือนกันแต่แล้วก็มาบวชท้ายสุดก็คือมาปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานแนวหลวงปู่เตียน ฝากตัวเป็นสิทธิ์หลงพออมเขียนท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ในสายงานรูปหนึ่งแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ครวบาจาจารย์ก็ให้การต้อนรับอย่างสูงสุดเดี๋ยวเราฟังเทศนาธรรมร่วมกันกลับในเหมือนกัน โมตัสสักภะคะวะโตอระหะโตสามมาสามพุทธตสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสดักรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอสมวัยความเคารพแด่หลวงปู่เทียนซึ่งเป็นปรมอาจารย์ในการเจริญสติเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราหลวงพ่หลวงพ่อใหญ่คำเขียนซึ่งเป็นทิศเอกหลวงพ่อเทียนและก็เป็นผู้ที่สร้างสถานที่นี้ให้เราได้ปฏิบัติทำ เราจรียนทำเนีอาจารย์ทรงศิลอาจารย์โนดพระเทหลาเทละมัจฉิมะนาวกะแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ทุกท่านายกมือฟังไปก็ได้นะหลวพอชอบวิธีการยกมือฟังไปจเจริญสติไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูของเราครูคนแรกของพระเจ้าคือคือใคร ค, คนแก่คนเจ็บ คนตายแล้วก็เห็นบรประชิดเอ๊ะคนเกิดมาทําไมถึงแก่ทําไมถึงเจ็บทําไมจึงตายใช่ไหมกับบันประชิตเด็กบอกว่ามันต้องมีทางออกเห็นมก็เลยออกมบ อ, อกนะทุกข์ฝืนทุกอย่างคนมีสติปัญญาจะเห็นสิ่งนะั้นเป็นครูพระเจ้าก็เห็นความทุกข์เป็นครูเนะี่ยพอเห็นความทุกข์แล้วก็มาค้นหาวิธีออกจากทุกข์จงก็ทําดับทุกข์ได้นะดับทุกข์ได้จนสาเร็จมาผลนิพพานนั่นแหละ เอกก็เรียกว่ามองคนฉลาดจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นประโยชน์เป็นครูบาอาจารย์สอนมันสอนโดยที่ไม่สีพูดสอนโดยทีกระทําให้ดูสอนด้วยกิริยาอาการะให้ดูอย่างนั้นเ่ยสอนโดยไม่พูดนะสอนได้ไม่พูดอย่างคนแก่เนี่ยก็สอนให้เรารู้แก่โดยที่ไม่ต้องพูดเลยให้ตาไปเห็นไปเลยตาใจเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นกันเลยแก่แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายนะ น, น่ะเป็นนักเทศชั้นยอดเลยนะถ้าใครตายก่อนตายวันนี้นะเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่รักวสอนเราสอนเรื่องอนิจจังคลุกขังอนัตตานะความแก่ความเจ็บความตายเนะี่ยมันเป็มันไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่คนเจ็บไม่ใช่คนตายมันเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเขาเรียกสังขารธรรมธรรมะใดที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งก็คือกายกับใจกายเป็นรูปธรรม เป็นธรรมะฝ่ายรูปฝ่ายวัตถุ typing. ใจเป็นธรมนมททรมะฝ่ทายนำฝ่ายธาตุรู้สิ่งรู้นี่นะสิ่งรู้ธาตุรู้สองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันก็กายกับใจกายก็คือแขนผมคนเล็บผนังตาหูจมูกลิ้นนี่กายจิตติก็ใจก็คือตัวรู้ธาตุรู้เนี่ยสติสสะพัสัญญาก็คือธาตุรู้มันเกิดมาจากใจแล้วแหละนะเกิดมาจากใจปัญญาก็เกิดมาจากใจเกิดมาจากธาตุรูร้เถอะนี่ทีนี้เราก็นี่สองอย่างแค่นี้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปไปธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของกายกับใจเห็นทุกขังมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ทนสวยสดงดงามอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันต้องผุพังไปก็เลยก็เห็นทุกมันทนทนไม่ได้ทนยากทนสุดท้ายก็ทนไม่ได้ก็ผุพังไปอนันตาบังคับไม่ได้อยจะแก่นะจะเจ็บนะจะตายนะจะหิวข้าวเดี๋ยวหิวน้ํานะใจ ให้รู้แต่สิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่ชั่วๆอย่ารู้นะให้รู้สึกแต่สุกนะทุกอย่ารู้นะบังคับไม่ได้ใช่ไหมบังคับไม่ได้เลยเนี่ยก็เอกอรื่องอานาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สรรัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอาการของธรรมะนะเกิด แ, แก่เจ็บตายเป็นอาการของธรรมะฝ่ายรูปฝ่ายกายความความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ความอยากความยึดความยุ่ ง, งเป็นอาการของธาดรู้ที่โง่นะที่มีตัวโง่อยู่มีตัวหลงอยู่นั่นแหละ เข้าไปเข้าไปประกอบให้มาตัวเองเป็นทุกข์ขึ้นมานี่ก็เรีาายกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ด่อไปความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเหมือนกันกิเลสก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ยไปเมื่อเห็นอย่างนี้เรียกมีดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาโกณทัญญะองค์แรกเป็นทไปเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิเอ ก, ก น, นะของพระพุทธเจ้าก็คือมีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นกาย ก, ายกับใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมมีความดับไปบรรดา กลับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งคือนี้ก็คือธรรมะนั่นเองนะธรรมะคือสิ่งสิ่งกายสิ่งใจธรรมะกายธรรมะใจธรรมารูปธรรมนามเกิดขึ้นตั้งอยู่เดินไปเนี่ยเห็นอย่างนี้ไม่ต้องตาเห็นธรรมนะเสียงเนี่ยเป็นรูปเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องรู้รอรู้พวกนี้นะเสียงเนี่ยคือรูปเกิดขึ้นนะณเกิดขึ้นในกระดับไปไหมโมในกระดาษเนี่ยรูปตัวนี้เกิดขึ้นนทีนี้ตัววิญญาณเข้าไปรู้เลนะ ไปรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เดิมไปตัวน้ำนะแล้วก็นี่คือปัญญาในดวงตาเห็นธรรมแล้วโอ้รูปน้ำกายใจในี่ไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาแต่ธาตุรู้ก็เกิดดับเหมือนกันแต่มันดับได้ไวพอหนะเนี่ยรูปเกิดดับน้ําก็เกิดดับตามไปด้วยตัวรูปตัวน้ำตัวเจตตัวใจก็เกิดดับไปด้วยแต่มันเกิดดับแบบทียิบนะอย่างเราก็ดิกมือกระพริบตาปึ๊บหนึ่งเนี่ยตัวรู้นั่นจะเกิดดับสิบเจ็ดครั้งนะ สิครั้งในขณะที่รูปเกิดดับครั้งเดียวนะเรากดดิกนิ้วแป๊บหนึ่งเนี่ยตัวรู้เกิดดับสิบเจครั้งใ น, ในอภิธรรมเขารู้แต่ว่าคนที่จะรู้ได้อย่างนี้ต้องคนที่เข้าฌานสมาธิอย่างลึกอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่างพระที่เข้าฌานได้อย่างลึกๆอย่างนั้ย น, นะถึงจะรู้ได้แต่พวกเราเนี่ให้รู้แค่ว่ากดสวิตดับสวิตกระบอก ะ, อดะกดสวิตไฟติดดับสวิตไฟดับนี่คือรู้อาการเกิดขึ้นรู้อการดับกระบออาการดับที่ทียิบนะนะเป็นขึ้นเป็นเป็นความถี่ของ าการดับเน่ยเราไม่ต้องไปรู้ก็ได้ใครรู้ตัวตั้งต้นมันแล้วก็ตัวดับลงก็พออันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะให้รู้อย่างนี้เมือรู้อย่างนี้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาปัญญาไม่ใช่ตาเนื้อนะตาปัญญาตาธรรมะเข้าไปเห็นขึ้นมาธรรมะเห็นธรรมะเน่ยธรรมารูปธรรมนามธรรมากายธรรมาใจไปเห็นธรรมารูปธรร ม, มนามเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาในธรรมะหมดทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ย จะบวชก็ดีไม่บวชก็ดีมีอะไรมีมีธรรมะหชนิดนะหอย่างอยู่นี่ด้วยกันหนึ่งของแข็งที่ของแข็งนะของแข็งก็คือผมควรได้ฝ น, นังกระดูกกระต่พวกใ น, ใ น, ใ, นในกายของแข็งของแข็งก็เรียกว่าเรียกว่าธาตุดินธาตุดินก็เรียกว่า earth element หรือ solid element ของแข็งธนะาเเตุ element ธาตุแข็งแขงทีนี้ของเหลวน้ำ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าธาตุาดน้ำ water element หรือ liquid element ของเหลวต่อมาทาดลมลมใน air element b i n element หรือว่า movement element ก็ได้ motion element vibration element คือของที่มันเคลื่อนไหวได้นำเคลื่อนไหวได้พัดไปพัดมาก็คืออากาศ air element อย่างเงี้ย m e n d element motion element น, นี่ก็คือทาดลม ไฟก็ฮีตอิเลเมนตไฟอ e เลเมนต์นะเทมเปอร์เจอร์อุณหภูมิอิเลเมนต์ยังไงนะทีนี้ก็ธาตุไฟทีนี้ก็มีธาตุอากาศธาตุความว่างความว่างในใ น, ในไฟในตัวเราก็ไฟย่อยอาหารไฟทําำกายให้อบอุน่นแล้วก็ไฟไฟเผากายให้สุดโสมลงไปธาตุไฟธาตุน้ำในในตัวเราก็มีเลือดน้ําลายน้ําเหลืองน้ําเลือดอย่างเงธาตุลมกัลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นบังสูงลงลงมาต่ําเนี่ยลมขึ้นบังสูงไปปวดหัว ลมหลมงต่าก็ออกเขาเรียกว่าโบเกนวินอลมตดนั้นออกม า, างั้นนะลมขึ้นตามกายอย่างเงี้ยครนี้ก็ธาตุว่างธาตุว่างเขาเรียกภาษาบาลีเขาเรียกอากาศธาตุแต่ภาษาไทยจะพูดว่าอาวกาศเป็นความว่างนะในตัวเราก็มีช่องรูจมูกรูลําคอรูอะไรแะรูต่างๆที่มันมีอยู่ในรูของเราเนี่ยในร่างกาเนี่ยเพื่อให้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไรมันไหลเข้า ให้อาหารไหลเข้าให้น้ำไหลเข้าไหลออกเนี่ยช่องว่างเยช่องช่องว่างตัวนี้กองเราสเปซอ e เลเมนต์หรือเวกชิวอัพอิเลเมนตเป็นของว่างอยู่ทีนี้ก็บวิญญาธาตุธาตุรูคือจิตคือใจเนี่ยิญญาธาตุเขาเรียกว่า c o n c e p t n e t ิเลเมนต์อิเลเมนต์อัพ e นวเลตอะรธาตุรูธาตุรูคือวิญญาธาตุธาตุจิตเนี่ยคือสติสัพัญญะปัญญาก็เป็นธาตุรูเหมือนกันเป็นธาตุรูเหมือนกันสิ่งรูธาตุรูมี6ธาตุเธาตุทั้งหมดเนี่ย ก็คือดินน้ําลมไฟนี่ก็รวมอยู่ในธาตุรูปในกายที่วิญญาณธาตุก็คือใจคือน้ำทีนี้รูปน้ําทีนี้เรามีพูทจาสรุปว่าน้ำอะรูปังอนิจจ์น้ำรูปกายใจไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอน้ำอะรูปังทุกขังน้ํารูปกายใจเป็นทุกทนยากทนบาดนม่ได้ละกระพุผังไปน้ำอะรูปังอนัตตานี่ยน้ำรูปกายใจเนี่ยเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีความแปรปวนลวนเล่ยล้วไหลน่ะอยู่เสมอไม่ควรยึดมั่นถือว่ามันเป็นตัวตนเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตาำจปศาสนาไม่มีตัวตนแช้งแท้ถาวรลที่อยู่ที่นั้นอันนี้ก็เป็นอนัตตาเป็นธรรมะที่น่ะเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นอินทรังทุกข์ขันธสามเมื่อเห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นอ่าก็เลยเห็นอ่าพระไตรลักษณ์ลักษณะสามัญสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นสามอย่างนี้ ใจเขาไปรู้ปัญญาใจนะปัญญาที่ใจปัญญาสัมมาสมาธเขาไปรู้เขาไปเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นดวงธรรมเกิดขึ้นนะให้เห็นที่ไหเห็นที่ไหนเห็นที่นี่เห็นเดี๋ยวนี้นะอย่างที่เรานึกเห็นเมื่อวานนี้เราเอาตังเงินเก็บไว้ที่ไหนอ่ะอันนั้นไปเห็นอนาคตอันนั้นมันนี้ไม่เห็นของจริงเห็นของจําเฉยๆเห็นของนึกคิดปรุงแต่งเฉยๆพรุ่งนี้เราจะไปไหนจะไปทําอะไรในงานดังนั้นก็ จะมาไม่ถึงจะเพิ่งคิดที่น่ะใหจะ้จะเพิ่งคิดจะเพิ่งรู้ให้รู้ที่ปัจจุบันรู้ที่นี่ดูถีวนี้รู้ขนาดนี้ก็คือเสียงกระทบหูนะเสียงเป็นรูปภายนอกเป็นอายจาระภายนอกหูเป็นอายจาระภายในเสียงกระทบหูนะก็เกิดวิญญาณขึ้นเขาเรียกว่าโสตวิญญาณความรู้สึกรู้เสียงทางหูเนี่ยเกิดขึ้นทีนะเสร็จแล้วเกิดขึ้นก็เป็นยังไงนะเสียงกระทบหูเกิดขึ้นแล้วอายจาระภายนอก คือสิ่งที่เครื่องต่อภายนอกก็คือเสียงก็เรียกว่ากระทบหูเสียงกระทบหูเกิดความรู้ว่านี่คือเสียงขึ้นมาเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณคือท่านรู้ทางหูท่านรู้เสียงทางหูง น, งนั่นเองเกิดขึ้น3ามอย่างเนี้ยพอเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงก็ดับไปเสียงนาะโมปัสสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาให้เราเห็นแล้ใช่ไหมรู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้เลยใชมเนี่ยไม่ต้องรอรู่ผงนี้ทนีนี่นะี่แหละก็เรียกว่ามีดวงตารู้ธรรมชาติ ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายรูปนาม เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่เดินไปก็ดังมีดวงตาเห็นทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งธรรมชาติปรุงแต่งเขาเรียกสังขารและทำธรรมะฝ่ายปรุงแต่งกันมาทีนี้มีธรรมะอีกอันนึงที่ไม่ปรุงแต่งที่ไม่ปรุงแต่งนะอะไรป้ปรงแต่งไม่ได้อันนั้นเคยเรียกว่าสุญญาต า, าธนะาตุธาตุแห่งความว่างเขาเรียกว่าสุญญาต า, าธาตุก็เรียกว่าไวไวเนต อิเลเมนตะธาตุแห่งความว่า empty element ก็ได้ธาตุแห่งความว่างแล้วก็ w h i n e element เป็นธาตุที่ไม่มีไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยแต่มีอยู่นะอะไรปรุงแต่งไม่ได้เขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่านิพาตธาตุนิพานเป็นธาตุธาตุดับทุกไม่มีทุกขเข้าไปเจียพลไม่มีกิเลสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเข้าไปเจียพลไม่มีตัณหาความทะยานอยากเข้าไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเข้าไปเข้าไปปรุงนั้นเลย ไม่มีความดีใจเสียใจความรักความชามความโรคความโกรธความหลงความพุกอะไรเข้าไปไม่ได้นอยู่ในนั้นไม่ได้เแตะปรุงแต่งไม่ได้อันนียกขาคือนิพพานธาตุในปันจกักรวานนี้มีอยู่สามธาตุแค่นั้นเองมีรูปธาตุกับนามธาตุรูปธาตุก็คือกายนามธาตุก็คือใจแล้วก็นิพพานธาตุคือธาตุแห่งความว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกนะเขาเรียกว่านิพพานังปรมังสุญญ์นิพพานว่างอย่างยิ่งทีนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เพื่อให้ใจถ้าดูเราเข้าถึงความว่างเองว่างจากอะไรอ่ะว่างจากความรักว่างจากความชังว่างจากความยินดีว่างจากความยินไล่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากสัณหาความทยานอยากในกามในสิ่งที่น่ารักน่าไข่น่าพอใจว่างในโมหะว่างในความหลงคือภาวะสัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยให้ว่างจากวิภวะสัณหาว่างจากความทยานอยากไม่มีไม่เป็น อารมณ์ใดที่เราไม่ชอบใจนที่ไม่ดีขึ้นมานะอยากให้มันสูญหายไม่อยากพบไม่อยากเจอนะวิภาวะตันหาคืออยากทําลายวิภาวะตันหาคือตัวโกรธตัวโธสะตัวอยากทําลายอ่ะไะภาวะตันหาคือตัวโมหะหลงมีหลงเป็นหลงเป็นสัตว์บุคคลตนตนเราเขาหลงเป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่อย่างนี้หลงเนี่ยหลงสมมุติอยู่นี่อันนี้ก็เรื่องภวะตันหากามาตันหาก็คือโลภคืออยากเนี่ย อยากนั่นอยากนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากไอ้อยากในกามนะอยากในความไข่ก็จะกกามมาตัญหาการมาตัญหาเนี่ยก็คือตัวโลภะเลยทีนี้ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะราคะก็คือความกำหนัดคือความโลภ น, นั่นเองราคะโทสะโทสะก็คือความโกรธโมหะก็คือความหลงมีหลงเป็น น, นั่นละตัวนี้ท่านั้นทีนี้ถ้าเราไม่ละตัวนี้เรามันจะเข้าสึบพันธพ์ผ่านความว่างจะเกิเดไม่ได้ ให้เรามาปฏิบัติในคำนะวัาละเราวิธีละทำยังไงคือเนี่ยวิธีละก็คือมันมีตัวเอาสติสปัญญาเนี่ยคือเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกคือตัวธาตุรู้ที่มันเกิดขึ้นจากใจนั่นแหละคือตัวปัญญาเอามากําหนดรู้สิไก่ <c oughs> ที่กายของเราเนี่ยเพราะกายกับใจมันอยู่ใกล้กันกายกับใจก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปเป็นอนิจจังสุขังอนัตตาเป็นพัทสัยลักษณ์นเนี่ยให้เอาสัมมามาดูสัมมา อ่าธรรมะคือสติเนี่ยสติธรรมะคำามาดูสมรกายสมใจเนี่ยกายมันเคลื pe, in in ่อนไหวนะเวลเคลื <the> ่อนไหวกายยืนรูปยืนกายนั่งรูปนั่งกายเดินรูปเดินกายนอนรูปนอนเนี่ยนี่อันนี้อเดียบนใหญ่ทีนี้กายคู่แขนคู่ขาเนี่ยอันเนี้ยให้รู้ก้มเงยให้รู้กระพริบตาให้รู้อ้าปากให้รู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้ไอตัวที่เข้าไปรู้นะเขาเรียกว่าตัวสติและสัพพัญญาหลวงพ่เทียนพูดคําสั้นคําดียวว่าความรู้สึกตัว คือตัวสติและตัวสมปัญญ็คือตัวปัญญาตัวเองก็ตัวธาตรู้นันเองเข้าไปรู้เห็นเนี่ยเข้าไปรู้เห็นกายเคลื่อนไหวทีนี้ท่านก็เลยมาขยับเ อ, เ, อเอามือสร้างมือคือนสสจังหวะที่อาจารย์ทรงศีลอาจารย์โน้ตท่านสอนอยู่เนี่ยนะพวกเ ข, เขียนสอนอยู่เนี่ยยกมือขึ้นสิบสี่จังหวะสิบสี่จังหวะมีสองจังหวะแค่นั้นเองจังหวะเคลื่อนไหวจังหวะหยุดนิ่งอ่าสองจังหวะรู้ไม่รู้เดียวรู้ซื่อซื่อรู้เชยใช้รู้เป่าเปล รู้ว่างๆรูกลางๆรู้ปกติรู้บริสุทธิ์เนี่ยรู้รูเดียวแค่นั้นเองถ้ารู้รักรู้ชังรู้ยินดีรู้พอใจไม่พอใจรู้โลภรู้โกรธรหลงอันนั้นเป็นตัวรู้ของตัวโง่เป็นตัวรู้ของตัวกิเ็สเป็นตัวรู้ของตัวบาปเป็นตัวรู้ของตัวทุกข์แค่นั้นถ้ารู้แล้วซื่อๆเฉยๆเป๋วเป็นตัวรู้ของตัวกุศลตัวฉลาดเป็นตัวรู้ที่ทําให้ใจพ้นทุกข์พ้นปัญหาเนี่ให้ทําอย่างนี้ก็ยกมือขึ้นก็รู้มือนี่ยกขึ้นจะเอาอะไรมือเนี่ยก็เป่ เขเห็นธรรมายฟรูปมันเคลื่อนไหวนะแล้วทีนี้ก็ไปเห็นตัวรู้ก็ธรรมะตัวรู้ก็คือจิตคือนามคือใจเข้าไปเห็นตัวรู้เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นไอ้ตัวที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ไปเห็นตัวนี้เขาเรียกว่าโพธิเขาเรียกว่าตัวรู้แจ้งคือตัวปัญญาคจิตวิญญาณนั่นแหะเขาไปรู้ทีนีนภาษาบาลีเขาเรียกว่าตัพธิตัวโพธิตัวจัตสรู้ทีนีภาษาอังกฤษเขาเรียกเอ็นไลท์เมนตความรู้แจ้งก็เรียกอินสไส้ก็ได้ พิปัสนาเขาไปรู้แจ้งเขาไปดูตัวนี้ธรรมะเข้าไปดูธรรมะเลยเนี่ยท่ารู้เข้าไปดูท่านรู้นั่นแหละนะไม่ใช่ตัวกูตัวมึงตัวสัตว์บุคคลตัวตนตัวเขาไปรู้เนี่ยอะไรแบบธรรมะเข้าไปรูธรรมะธรรมะวิญญาณธาตุเนี่ยเข้าไปรู้ลูกกับนามรู้กายกับใจรู้ว่ามันเป็นอย่างไรรู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกขังมันทนไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบังคับไปแบบมันเป็นไปของมันอย่างนั้นเองน่ะ มันเป็นไปของมันแค่นั้นเองก็รู้จริงตามที่มันเป็นจริงรู้จริงตามที่มันเป็นจริงก็ปล่อยความจริงให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่าไปคัดค้านมันมันไม่เที่ยงก็ปล่อยไม่เที่ยงไปถ้าเราเราไปอยากให้มันเที่ยงอย่างเนี้ยตัณหามันเกิดขึ้นไอตัวอยากเนี้ยจะกลายเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเข้าใจไหมมันเที่ยงมันเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขเนี้ยแล้วก็ตัวอยากเนี้ยเป็นตัวเหตุให้เกิดกับทุกข์เนี่ยมันบังคับไม่ได้จะไปบังคับมันเนี่ยเนี้ยนไปทําฟื้นธรรมชาติเนี่ย ตัวฝืนธรรมชาตินี่แหละคือตัวเหตุให้เกิดทุกข์เข้าใจมาทุกทางใจขึ้นมาทางกายนี่ทุกทางรูปนี่เพียงแต่บรรเทาระ ง, งับชั่วครั้งเฉยๆดับไม่ได้แต่ทุกทางใจตัวโง่าทางใจนี่ดับได้ตัวหลงทางใจนี่ดับได้นะเบาบางไปเบาบางไปแล้วก็ดับจน ก, กันทั่งหมดสิ้นเลยนะดับทุกทางใจเพราะกายรูปนี่เข้าถึงพระนิพพานไม่ได้มีจเจทารู้จิตใจถึงเข้าถึงปฏิภพานได้เข้าใจไหมเข้าถึงความพ้นทุกได้ ข่าถึงพันธิพาณมาถึสภาพที่พ้นทุกนั่นเองเห็นเรามาวิธีทำพิธีทำก็คือรวมรู้สึกตัวอนะรู้สึกยกมือขึ้นอ่ะยกเลยยกเนี่ยควรู้สึกเนี่ยมีไหมตัวโกดนี่ไหมตัวโลบนี่ไหมตัวหลงไมีไหมตัวการมาตัญหามีไหมตัวพระวัตตัญหาตัวหลงมีหลงเป็นไม่ไหมไม่มีเลยอ่ะตัววิวสตัญหาใช่ไหมมีไหมตัวโกตัวโมโหตัวทุเฉียวตัวอยากน่ะมีไหมไม่มีเลย สมมุติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ก็ไม่มีะยกมาแล้วกับความรู้สึกที่บริสุทธิ์ผ่านไปบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผ่านไปบริสุทธิ์ปกติผ่านไปบริสุทธิ์เฉยๆผ่านไปคนรู้สึกเปล่าๆผ่านไปความรู้สึกว่างๆผ่านไปผ่านไปผ่านไปทีนี้ความรู้สึกที้มันติดต่อก็เรียกสันติเป็นความถี่เป็นขึ้นมาขึ้นมามาติดต่อเป็นเร Kim, ื่องที่เก็คเขาบอว่าเป็นเส้นยืดขึ้นมาอย่างเงีจริงมันก็ไม่เป็นเส้นยืดเป็นจังหวะจังหวะจังหวะ จังหวะความรู้สึกที่บริสุทธิ์ผ่านไปผ่านไปมันก็แน่เลยก็เรียก ว, ว่าจิตได้กระทบพระดิพานพระดิพานไปนแกงหม้อหนึ่งน้ำหนักร้อยกิโลเนี่ยเราได้กินไปแล้วสอกิโลสองกิโลสกิโลสี่กิโลก็ใจไหมได้ชิมรถพระดิพานไปนแล้วรถจิตใจซื่อเนี่ยใจเปล่ า, าใจบริสุทธิ์ใจว่างๆนี่ยนะใจไม่มีอะไรฟุ้งแต้อนะี่ยใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็เจือปันไม่มีการมาตัญหาเข้ามา แ, แทรกไม่มีภวะตัญหาความทยานอยากมีอยากเป็นอยากเทียงแท้เข้ามาเข้ามาแทรก ไม่มีความโกรธอยากทําลายจะมาแทรกใช่ไหมเนี่ยไม่มีอมะไรมาแทรกเลยตัวนี้แหละให้รู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้แต่ว่าให้รู้ทีๆรูปบ่อยๆทีนี้คนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันคือขยันทําความรู้สึกซื่อๆนี่เนี่ยให้ติดต่อกันนั่นแหละเราจะพ้นทุกข์ได้ทีนี้พวกเรา มันยังปฏิบัติใหม่ใหม่มันยังเว้นวรกมันยังขาดตอนให้ความหลงให้กิเลสเข้ามาแทรกแสงได้อยู่แทรกแสงอยู่ที่นี้เราก็ต้องใช้ความกติกาอะไรเข้ามาแทรกเห็นความคิดเข้ามาแทรกคิดดีคิดช่วยก็ช่างมันอย่าไปตามมันไปให้กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวให้กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวซื่อๆนี่จึงว่าจึงขยันวิริเยนสุขธรรมะเจติค้นจะพ้นทุกข์ได้เพราะความขยันมันเพียงในการเจริญสติทีนี้คนเกลียดข้านย่องอยู่เป็นทุกข์กันเน่ยคนเกลียดข้านย่อมอยู่เป็นทุกข์อะไร กูสีตโตพิกเกเววิหาราติดูก่อนทีกสุทั้งหลายบุคคลผู้เกียดขานจ่อมอยู่เป็นทุกข์อารัฐะเบญโยจะโขพิกเเวสุขังวิหาราติดูก่อนที่สุทั้งหลายผู้ปาราลบความเพียรอันปาราลบดีแล้วจ่อมอยู่เป็นสุขขึ้นนแนะ่ความเพียรนั่นเนี่ยทำให้เกิดเป็นสุขทําให้พ้นทุกข์เข้าใจไหมต้องอาศัย ค, ความเพียรความขยันในการกระทําในการทําความรู้สึกตัวซื่อๆเนี่ยความรู้สึกตัวซื่อๆที่บริสุทธิ์นี่ย Linked. ตัวนีน้แหละเป็นความรู้สึกที่ ไปสู่ผลิตาลไปสู่ความพ้นทุกในขณะที่เราทําความรู้สึกซื่อเนี่ยมันก็มีไม่มีความทุกข์เข้ามาเจออุปนอยู่แล้วแต่มันเป็นขณะขณะที่เรากําลังทําอยู่มันยังไม่เป็นผลมันยังไม่เด็ดขาดเข้าใจไหมที่นิพพานละหันเนี่ยเด็ดขาดไปแล้วพระสุวัาบันกระดับความทุกข์ไปได้หกสิบเจ็ดิเซนะพระอนาคามีกระดับความทุกข์ไปได้90้าิเอร์ซพระอนาคามีดับความทุกข์ไปได้9ก้าสิดเปอร์ซ็้าปดเปอร์ซหลืออีกสเปอร์นต์ยนะเหลืออะไร เขาเหลือเหลืออยู่ 2% ดับราคะดับโทสซาเสร็จเรีย้อยยังเหลือโมหะลงว่าเป็นตัวตนที่ดีเด่นอยู่ลงว่าการดับราคะดับกิเลสก็ดับการด้านนี้ดีจริงเนอะแล้วก็ดับไอโทสซาความโกรธได้ดีจริงหนาะยึดยึดเอาตัวดีจริงเนาะมาเป็นตัวตนอยู่หน่อยหนึ่งนั่นแหละยังยังไม่หมดตัวตนยังมีความยิดอยู่ยังมีความติดอยู่หน่อยหนึ่งนั่นก็ติดจะประมาณสัก 2% อง จิตนี้ถ้าลได้หมดแล้วก็เป็นพลังหันร้อเปอร์เซ็ต์เลยล้านเปอร์เซ็นตเลยเป็นพลั ร, ห, ร, ร ห, หันไปวุ่นวาห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสตามไม่ถึงแล้วความโลภความโกรธตามไม่ถุงตามไม่ทันตามไม่ติดแล้วต่อไม่ติดเลยอันนี้ก็เหมือนกันที่เรามาทำนี่ก็ถ้าจะเรารู้สึกตัวซื่อเชยๆนะจิตไม่นึกไม่คิดไม่ปุ้งไปแจงนะเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์อยู่อนยะ่างนี้นั่ะนั่นแหละเราก็ได้กระทบกระทบพายในพานในช่วงขณะหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวัน เวันอะไรก็แล้วแต่ปไปอี่ยทีนี้พอหลังจากนั้นไปก็ไอ้ตัวสติเราไม่ติดต่อนะสัพพัญญาความรู้สึกตัวเราไม่ติตต่อมันขาดห่วงไปทีนี้ไอ้ตัวหลงไอ้ตัวกิเลสมันเข้ามาแทรกได้ทําอย่างนี้ให้รู้ไปเหตุก็รู้โอ้สติมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันปัญญามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเที่ยงอยู่อย่างเดียวคือพันธิพาณนี่ยเราก็รู้สติไม่เที่ยงเนาะหลงก็รู้ว่าหลงไง น, นั่นแหละไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันจะเข้าไปหน้ากิเลสเองนะไปละตัว ตัวทุกเองตัวไม่พอใจตัวอยากตัวยึดตัวยุ่งเองนะมันจะเข้าไปละเองนั่นต้องฝึกตัวรู้ไปอ๋อขี้เกียจก็รู้แล้วออขยันก็รู้แล้วง่วงก็รู้แล้วเห็นไหมไอ้ตัวที่รู้น่ะมันจะเข้าไปไปแก้ไขตัวนั้นเองนะขี้เกียจมันจะแก้ไขให้ขยันขึ้นง่วงมันจะแก้ไขให้ตื่นขึ้นอหลงมันจะแก้ไขให้รู้ขึ้นมันจะแก้ไขมันตเองนะตัวตัวท่านรู้เนี่ยคืตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยท่านรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วฝึกตัวนีี้้้้้เเเขาาไไไปกตััวววว่นนบบยใหแคลองงะ นี่ให้จิดต่อก็เสม อ, ขอเข้าไปเจนนี้กับตัวเหมือนเรานั่งอยู่ในคนก็อี้เนี่ยคนอื่นจะมานั่งบนหัวเราไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะถ้าสตินั่งอยู่ที่ใจไอตต้ตัวโรคตัวโกรธตัวหลงตัวกิเลสมันเขามานั่งไม่ได้เพราะสติมันกันอยู่เข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราให้สติเขาตัวความรู้นี่ไปกันอยู่พระอรหันต์นี่มีสติมีความรู้สึกตัวร้อย้านเปอร์เซทุกขณะทุกวินาทีเนี่ยไม่ขาดช่วงไม่เวน้นวรรคให้ความโรคความโกรธความหลงเข้ามาแทรกได้เลย นนนอก็เราียกว่าพระหลานแต่เราถ้าเราในหนึ่งนาทีเราไม่ทุกข์เลยไม่โลบไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์เลยโดยประกันทั้งพวงเลย น, นเนี่ยเราก็เป็นพระอรหันต์หนึ่งนาทีหันจากกิเดชห่างไกลจากกิเดชได้หนึ่งนาทีอัน้นก็เป็นให้รู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้รู้ขนาดนี้ขณะนี้มีโกรธไหมมีใครโกรธมังความโกรธไม่มีความอาฆาตปฏิบาติไม่มีใครมีกามราคะไหมไม่มีอใครมีโ ม, มหะหลงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไหม ไม่มีนะนั่นแหละการไม่มีตัวนี้การสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะขณะเนวิวินาจีนี่นนเราก็ได้กร ะ, ระทบปฏิพาณนะกระทบสภาวะที่เส้นทุกดับทุกวางทุกแล้วชั่วขณะหนึ่งเข้าใจไหมทําทไปอย่างนี้ให้รู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้นะก็เรียกว่ารู้รู้การกระทําอยู่รู้มรรคอยู่ยังผลเด็ดขาดยังไม่ทันรู้เนะียรู้มรรครู้ผลนั่นแหละแต่ว่าผลชั่วขณะหนึ่งก็เรียกตะทางข้าวบิมุตกําหลุดจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้ ชั่วขณะหนึ่งขณนะห น, นึ่งก็ยังดีเท่านั้นดีกว่าคนที่ไม่รู้เลยปุถุชนโกลเกิดมาคนหนาด้วยความโง่หนาด้วยความโง่หลงเพวกนี้ไม่มีโอกาสได้รู้เข้าใช่ไหมทีนี้เราเป็นอาริยชนคือชนที่เจริญขึ้นแล้วรู้จักห่างไกลจากกิเลส เ, เป็นขนาดเป็นขณะรู้จักกิเลสตามไม่ทันะรู้จักหมดกิเลสรู้จักหลุดพ้นจากกิเลสเป็นขณะขณะไปนะดีแล้วนะพอได้รู้สิ่งที่สูงสุดแล้วกุโยมาทําบุญเนี่ยนะทานศีลภาวนาทานก็ดับทุกข์นะ สิ้นก็ดับทุกสมาธิก็ดับทุกเปอะไรก็ดับทุกแต่ว่าเป็นดับทุกขั้นต้นๆขั้นเปลือกๆ น, นี่นะแต่ว่าโยมมาภาวนาจเจริญสตินี่เป็นการดับทุกขั้นสูงสุดนี่นะเป็นการเป็นการทําบุญขั้นสูงสุดเป็นทําความดีขั้นสูงสุดเลยเข้าใจไหมที่จะโยมได้เข้ามาถึงเนี่ยนะเข้ามาถึงไในการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ า, ามาเข้ามาดูธาตุรู้เข้ามาดูใจเข้ามารู้ธาตุรู้น่ยเพราะว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือในกายตรงนี้ก็ ใจเป็นใหญ่แต่เปี่หัวหน้าสิ่งสังสารสำเร็จได้สี่ใจใจสำคัญที่สุดท่านรู้สําคัญที่สุดเนี่ยเมื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันรู้หลงมื่เกิดเป็นทุกข์กันนะให้มันรู้จริงรู้แจง้งตามที่มันเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมันก็พ้นทุกข์กันนะก็จะออเป็นการทําบุญสูงสุดหลวงพ่เทียนท่านพูดว่าบุญคืออะไรบุญคือสภาวะใจที่ไม่เป็นทุกข์น่ะว่างจากทุกขไม่มีทุกข์คือเข้าไปเจ้าปนน่ะบาปคืออะไรบาปคือใจมีความทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงเข้าแทรกแทงนะั่นคือบา คือโง่คือหลงเลยคือมืดคือบอดเลยคือไม่รู้อะไรนี่ก็เลยว่าให้ไม่รู้อย่างนี้เมื่อเราเมตธาดรู้รู้ปั๊บนะ่ยไอ้ตัวรู้เลยน่ยมันจะไปไลค่ความโลภความโกรธความหลงจิตจิตมันหลงหลงมีหลงเป็นอยู่เนี่ยไปปัดออกไปไล่ออกนะเีนี้ตัวสัิจและสัพพั ญ, ญญาเป็นทั้งตัวป้องกันและตัวปราบปรามป้องกันปราบปรามตัวกิเลสตัวทุกออกจากไปไล่ออกไปเป็นตัวฆ่าเ่ฆ่าอะไรบาปเน่ยฆ่าสัตว์ฆ่าคนฆ่าสิ่งเรื่องนี้ก็เรียกบาปฆ่ากิเลสได้บุญเนไหม ให้ฆ่ากีา df, ่เห็นฆ่าตัวโลภฆ่าตัวโกรธฆ่า <St palace> <im ri ana> <ow> like ตัวหลงฆ่าโดยวิธีใดก็วิธีก็เจริญสตินี่ไงกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกน่ยตัวกการเคลื่อนไหวไม่มีตัวโกรธนะตัวโลภตัวหลงนะกายหยุดนิ่งก็รู้กายหยุดนิ่งก็รู้ก็รู้แต่ตัวนิ่งมันก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอะไรไม่มีอยู่น่ะเป็นปีกิริยาอาการของรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่ง่ที่อาการใจก็เข้าไปรู้ไปนะเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์รู้ยังไม่มีรักไม่มีชังไม่มีความยินดีไม่มีความเยินร้ายต้องละความพอใจในพอใจในโลก เนี่ยไอตัวละกันเรียกว่าตัวปล่อยวางตัวรุดพ้นนั่นเองตัวต่อไม่ติดนั่นเองแล้วโมเทียบมาต่อไม่ติดตัวตัดขาดตัดขาดเดกกีเดตตัดขาดจากความรักความชังความยินดีความยลายความโลภความโกรธความหลงตัดขาดต่อไม่ติดอันนี้ก็เลยกระพดรูปพ้นนั่นเองที่เรามาทํเนี่ก็มาก็มาดูที่ไก่ที่แจงดูธรรมชาติตัวเนี้ยมนุษย์หัวสูงปัญญาสูงความคิดสูงความสามารถสูงสูงอะไรสูงเพื่อเกิดมารู้จากธรรมชาติน่ย จากธรรม ช, ม, ชมชาติทั้งหมดจนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอริสตาธรรมชาติกายธรรมชาติใจเนี่ยธรรมชาติที่พุ่งแตงนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้มารู้ธรรมชาติคือพระนิพพานธรรมชาติานทนทุกนเนี่ยคือสัตว์อื่นมันรู้ไม่ได้หมูหมาเป็ดไก่มดปวกเนี่มววยมันช้างม้าบวควายเนี่ยมันหัวมันต่ําใจมันตำ่ำความคิดมันต่ําปัญญามันต่ําสติมันตน่ํามันรู้ไม่ได้แต่มารู้ในหัวสูงหัวชี้ขึ้นฟ้าหัวโด่งเนี่ยก็จะความสามารถความรู้มมมััันนนสสูููงงาาาารรรรรถททที่จจจจะ้้ออ้้กกกกกุุขอออไดชติิเป็ ตุกขังอะไรต่างก็ปล่อยวางมันเป็นทางการเนือการปล่อยวางคือการพ้นทุกข์กันไม่เจ็บมันรู้รู้ตามที่มันเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปเสยแล้วก็พ้นทุกข์เลยนะใจกั็พ้นทุกข์พ้นปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันมันจะไปคัดค้านมันมันแก่ก็ให้มันปล่อยให้มันแก่ตามสบายมันเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บตามสบายมันตายก็ให้มันตายตามสบายเชิญมันแก่เชิญมันเจ็บเชิญมันตายไม่เชิญมันก็แก่มันไม่ในมนต์มันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายอยู่แล้วเสียก็ปล่อยมันตามสบายแต่ว่า รักษาไว้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตา ย, ตายก็รักษาอย่าให้มันแก่ไปเกินไปอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันตาย white, เกินไปเกินไปเพราะรักษาไว้เป็นตัวอย่างพ้นทุกข์ให้คนอื่นดูนะจะได้เป็นครูสอนเขานครูทุกข์ก็มีครูทุกข์สอนใหพ้นทุกข์เนะี่ยครูพ้นทุกข์ก็สอนให้คนอื่อนะพ้นทะุกข์เนะี่ยอาจารย์พ้นทะุกข์เนี่ยอาจารย์รูปนะอาจารย์นนะามนอาจารย์กายอาจารย์ใจเนี่ยอาจารย์สติอาจารย์ปัญญาเนี่ยสอนคนมีปัญญาจะมองเห็นสิ่งอื่นเป็นตัวเป็นตัวชี้ทาง เป็นอาจารย์สอนให้พ้นทุกข์ทั้งหมดเลยนะลูกบุญมัน่นท่านเห็นว่าคนตายเนี่ยโอ้อาจารย์ใหญ่ลูกศิษย์ท่านตายโอ้อาจารย์ใหญ่เทศการสุดท้ายให้ดูอย่างจะแจ้งแดงแกเเลยวนะ่าเงนท่านบอกว่าอ้าอ้อภาร์เน่อาบนะไม่อดเนนะี่ยไปบิธบายเพาพไปบินสบายมากก็อามน้ําอาบทาอาบน้ําอาบทา่าแล้วก็เอาภารไปเผาเนี่ยไม่ต้องมัดบริการมาสกุลบอกอสวดอุตส่าห์ทมากุตสาหองมาไม่ต้องเลยนะไม่ต้องสวดอย่างนั้นเพราะว่าให้ทุกคนว่านอย่างนี้อันนจาว่ต่สังขาลา สังขารคือร่างกายจิตใจไม่เที่ยงเนออุปาทวายธรรมโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา อ, อ, อุปอุปัสไอ้นี่จระสังคารอุปัสวายธรรมโนอุปชิตสวานิรุตชนติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมโสุโขโมเมื่อจิตเข้าไปสงบระงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนวต่าเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายระงับจะไดะ้มันเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นเองนะกัดเจนิกะย่อมดับทุกสังพวง ยอมพ้นจากทุกต้องป่วงผู้ะสมโสุขโขส่ะยมเข้าถึงความสงบขอเป็นสุขเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ให้ว่าแค่นี้นะให้ว่าแค่นี้ลุงตามหาวัวตายก็เหมือนกันจะมีพระราชวงศ์ไปเป็นอทายกสวดมรดิการบสกุลบมไม่ต้องผมบอกไม่ต้องท่านสั่งม่ต้องก่อนตายเลยใครมาพระมาโย ม, มาก็ได้แต่ให้ว่าอันนีเจ้าจะสังขาราพอหว่าแค่นี้พอท่าหวัดเน่ยเนี่ยก็ไม่มีการสวดกันเลยนะไม่มีการสวดเลยนะ <c oughs> พระไปกับถาวายพระไปสิบกว่าล้านเหมือน ถวายผ้าไปองค์แล้วถ้าองค์ละเมิ่นอนคลพันนู้นเถอะเก็แล้วแต่เหมือนถวายผ้าไปผ้าจีวรผ้าขาวถวายไปเหมือนี้ก่อนเอาเงินเข้าชาติได้กี่ได้กี่พันล้านไม่รู้นะอย่างน้อยเกือบเกือบหมืนล้านแต่ทองคําได้เท่าไหรได้หนึ่งมืนสองพันกิโลได้ได้สี่สิบตันเหมือนเอาทองคำเข้าเข้าเข้าในคขังได้เข้าไปในชาติเป็นเป็นกระทรวงการขังได้เพราะว่าเมรัสเมรสบานเนี่ยพาท่านเข้าไปดู ทองคำในในในคลังแต่ก่อนนี้ประเทศไทยมีทองคำประมาณกับสองตู้รถไฟเหมือนกันสองตู้รถไฟเนะทองคำที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมูลฐานเป็นมรดกที่เป็นตัวค้าประกัน เ, เศรษฐกิจ น, นะนะมีกับสองตู้รถไฟท่านไปเห็นมันาบอมันเหลืออยู่นิดเดียวไม่ถึงค้นตู้รถไฟเหมือนกัน เงินก็เงินก็เลยตกลงค่าของเงินก็ตกลงก็เพราะไม่มีทองคําเป็นเรื่องเป็นตัวประกันหลักฐานประกันทรัพย์ประกันมูลค่าเข้าไว้นะทีนท่านก็เลยหารีบหาไปช่วยไปช่วยไปช่วยใช่นะทีนี้รัฐบนตรีพวกต่างๆก็เอาของทันออกไปใช้เขาบอกอย่าเอาไปใช้หน้ามาแล้วเอาของทันไปใช้เอาทองคําได้ขังเอาไปไปใช้หรือไงไม่รู้ไม่ทราบนะทีนี้ก็ท่านหากับเมอะไร ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไปหาทองทองก้อนทองเหม็นทองอะไรเขาไปทบนี่เขาบอกโกงไปห้สิบล้านเขาบอกนะพระก็าพากูดให้ฟังแล้วก็มีพระลูกศิษย์เนี่ยสองสามองค์รวมหัวกันโกงไปยี่สิบล้านอนกัโกงไปยี่สิบล้านเนีอยพระก็บอกว่ามันก็มนกไม่นะมันทําผิดพลาดไปนะคือว่าไปไว้ใจคนอื่นเกินไปนะไว้ใจคนอื่นเกินไปเทีนี้ต่อมาพระสายสรรมยุทธนี่เขาไม่ให้กรรมการทางวัดจับเงินเลยเขามีตู้เก็บไว้กินเน่ยเมก ลูกโกงสอนไว้ก็โยนสอนเข้าไปส่งไปพอจะเก็บเงินปั๊บให้ธนาคารโทรธนาคารมาเรียกเก็บไปเลยนะกรรมการโกงไปหลวงประชาเนี่ยกรรมการวัดโกงไปกินจนอาเจียนเหะือนกนโกงจนอาเจียนเลยกินกจนแอะออกมาว่มจนลากแตกออกมาเลยกินมากเหมือนกันต่อไปนี้ก็โกงไม่ได้แล้วให้กรรมการให้ก็ให้ธนาคารมาเก็บเอาไปเองจะจ่ายแล้วก็เบิกธนาคารมาจ่ายแล้วก็ทํา บ, บัญชีอย่างเรียบร้อยหลวงปู่มั่นได้หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เทศนะ ทำบัญชีเองเลยเรียบร้อยเลือกุปผมไม่ติดดูซ่าเศษกระดาษได้เงินใต้ทองแต่ว่ารู้จักที่มาที่ไปของมันทั้งวันแม่เอาจีวรวัดนี้ไปบริจาคให้วัดอื่นท่านก็จดลงบัญชีจริงนะท่านไม่ทาได้ให้ลูกศิษย์ทำแล้วท่านก็ตรวจเนี่ยพอลูกศิษย์ไปตั้งวัดเนี่ยท่านให้ไปองค์ละ10บล้านนะไปตั้งวัดใหม่ไปลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์โกงไม่ได้เลยท่านรู้ทันเลยให้ไปตั้งวัดตั้งว่าหรือให้ไปองค์ละแดล้านสิบล้านไปเลยไปตั้งวัดตั้งทำไมโกงไม่ได้ทีนี้เราก็เเมอนนนกัับิย่ปทุาง สติมันเป็นตัวรอบครอบเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาสติปัญญาความรู้สึกตัวเน่ยมันเป็นไปหมดเลยเป็นตัวถามให้คนพ้นทุกข์ด้วยถ้าถามหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนท่านเจ็บอยู่เป็นโรคมะเร็งนะไปป่วยแทบนั่นนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีโยมาถามธรรมะท่านลุกขึ้นมาสอนธรรมะทันทีเลยก็บอกหลวงปู่หลวงปู่มีเมตตาอย่างสุดชีวิตเลยใช่ไหมจึงสอนธรรมะสอนเอาเป็นเอาตายจะตายอยู่ยังสอนน่ยเขาบอกไม่ใช่ปัญญาพาสอน ตัวพ้นทุกตัวสติปัญญาตัวนิพพานพาสอนท่านว่าอยางนี้พาสอนพาทำท่านว่าอย่างนี้พาทําให้เขาไปแนะนําเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาพ้นทุกแล้วก็บอกวิธีการกระทําให้เขาไปพ้นทุกจนบอกให้ทำใจใจอยา่อยา ก, การปฏิบททัติธรรมเนี่ยทําเพื่ออะไรอย่าทำเพื่อรามสักกะระเสียงเสรอเสริญเดียอดอให้คนยอมรับนับถืออย่างนั้นไม่ได้อย่าทําเพื่อเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ได้อย่าทําเพื่อลาบสักกะระเมเดชเมดิสอะไรอย่างนั้นไม่ได้ แต่จะทําเพื่อให้รู้สึกตัวซื่ อ, อๆเฉยๆทําเพื่อให้ใจพ้นทุกข์นี่คือประโยชน์ที่มุ่งหมายที่มาทําที่พวกท่านเราาทำได้เหมือนกั น, กนแต่นี้เมื่อเราประโยชน์เนี่ยเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วสิ น, นมันเป็นประโยชน์เราก็ไปแนะนําให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ต่อไปไปสอนเขาคนสอนตัวนีว้คือบอชมาไปเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่พูดตามสมมติก็มาเป็นครูบาอาจารย์ไปพูดสอนนะแต่ว่าไปชี้ทางพนันธุ์านชี้ทางคนทุกข์ให้คนอื่นดูนี่แปลาก็เรียกประโยชน์ ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความเปี่มานให้ถึงพร้อมด้วยสติและสัพพัญญะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่มีทุกข์เลยด็กนไปสอนด้วยความว่างทุกข์ว่างจากสัตว์บุคคลตนตนเราเขาไปสอนอย่างนี้นะฮะไปช่วยกันขยายนี่ยมาช่วยพระเจ้าช่วยผู้พ้นทุกข์นะแนะนำพิธีพ้นทุกข์ให้แก่ประชาชนคนทั้งหลายเพราะมนุษย์นี่เกิดมาเกิดมาเพื่อความไม่ทุกข์เว้ยพุทธาพุทธนี่ยเกิดมามนุษย์นี่เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อดูทุกข์ ทำหน้าที่การงานไม่ทุกข์สอนปืนไม่ทุกข์แก่เจ็บตายไม่ทุกข์นี่เกิดมาเพื่อความไม่ทุกข์ว้ยนี่คือตัวมนุษย์คือตัวสัตว์ปัญญาสูงนะความคิดสูงความสามารถสูงสติปัญญาสูงนี่นี่อันนี้เกิดมาอย่างนี้เกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อลุกดุด้วยถุกทําหน้าที่การงานไม่ทุกข์แล้วก็สอนปืนไม่ทุกข์แก่เจ็บตายไม่ทุกข์อันนีจังทุกขังอันนี้าไม่ทุกข์ว้ยนี่เกิดมาอย่างนี้พุทธาธิปนอย่างนี้ถึงให้นายทุนกับคอมมอนิสต์เนี่ยรบกันตายทั้งโลก เหลือเราคนเดียวก็ไม่ทุกข์เว้ยเส่าบังนไม่มีอะไรกินก็เก็บผลลหมากรักไม้กินก็ได้เท่านี้แก่ไม่ทุกข์เจ็บไม่ทุกข์ตายไม่ทุกข์เว้ยนะท่านทางานทุกชนิดด้วยจิตว่างวางจากกิเลสวางจากความรคของโกรธของหลงว่างจากตัวตนเนอะทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างโยกผลงานให้ความว่างฝึกอย่างสิ้นให้แก่พระนะกินอาหารของความว่างอย่างภระกินกิเลสความโง่ความทุกข์ตายเสร็จทิ้นแต่ในตัวแต่หัวถีตายก่อนน่ยกิเลสเกิดได้อีกมีฟอเดสเนี ตายกว่านตายตายอีก before d e a ว่าตายก่อนตายก็ให้กิเลสมันตายก่อนให้ตัวโงโูตัวบาบมันตายก่อนร่างกายยังมีทิวิตอยู่ยังไปสอนผู้อื่นอยู่พระเจ้าก็มีกิเลตาตายตั้งแต่เมื่อพระชนมายุได้สามสิบห้าพรรษาตาสโรอีกสี่สิบห้าปีพระองค์ก็ยังใช้กายกับใจลูกกำน้ำอันบริสุทธิ์ไปสอนประชาชนสอนธรรมะให้รู้ถึงเราจนกระทั่งว่ามรดกธรรมะที่ท่านสอนก็ยังตกไปถึงเร า, าเกิดมาเป็นธรรมะทายาทเราต้อง ทายาทท <ine> ายาทแก่ทายาทเจ็บทายาทตายทายาทไม่ทุกเนี่ยทายาทเจนสตินี่เป็นทายาตนะเป็นทายาทมูริเจ้าไหเนาะนี่เป็นทายาทของกิเลสก็คนโง่ก็เป็นทายาตของความโลภความโกรธความหลงเป็นทายาทของความทุกข์ไปทีนีทีนี้คนฉลาดสติปัญญาดีเป็นทายาทของสติเป็นทายาทของปัญญาเป็นทายาทของการทําความพ้นทุกข์ให้แก่รูปกับน้ำเนี่ยเราจะเอาทายาตไหนเหรอธรมม์ทายาทนี่อธัมม์ทายาท เป็นทายาของความลบของกรธความหลงเป็นทายาของตาหนาไปทีเนี้ยทีนี้ยถ้ามีสติปัญญาก็เป็นทายาของความไม่ลบไม่กรธไปหลงเป็นทายาทของสติปัญญาเป็นทายาทของความออกจากทุกข์นะเราจะเป็นทายาทของใครเราเลือกเอาทีเนี้ยพอมีปัญญาก็ต้องเป็นทายาทของสติปัญญาเป็นทายาทก็ต้องเป็นเป็นด้วยการกระทําเลยนะไม่ใช่เป็นแบบคิดเอานึกเอาเดาเอาปรารถนาเอาต้องเป็นด้วยการกระทํากระทํากระทาความเพียรขึ้นมา ทำความก็รู้สึกตื้อรู้สึกตัวรู้ส withdraw, ึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ให้ทำ <S <s <heit emen> ที่นี <c oughs> ่เมื logical, foot, ่อทำที่นี่เสร็จแล้วที่นี่มันเป็นที่ไหนก่อนเป็นที่ใจนะถ้าใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์เลยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้โกรธโกรธหลงใจเราเป็นพระ้เหราเองใจเป็นพระเลยเอยร่างกายเราจะนุ่งดานุ่งขาวนุ่งเหลืองก็ไม่เป็นไรนะใจเป็นพระเราเ่งถ้าหากว่าใจเราเป็นพระเราเอยพระในก็ระบวนการนุ่งสีเหลืองนี่ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์กระบวนการทั้งปวง แล้วก็ไม่มเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์ไงนะใจก็เป็นพระแล้วชีนี้นแทีนี้ถ้าหากว่าญาติโยมเนี่ยนุ่งสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์ใจเป็นพระแต่เครื่องแบบเป็นพระคีรีวิวอยู่เขาเรียกพระคีรีวิวห่อสองคำนะฮพระคีรีวิวห่อเพชรยอย่างพระนี้จิวรในเหลืองมันสองคําเลยแต่พระเดี๋ยยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังโง่ยังเซ่ออยู่นะนะยังหลอกลวงประชาชนอยู่เนี่ยสอนทางผิดทุกสอนทางไม่พ้นทุกอย่านี้ แต่ตัวเองกระทุกอยู่เนี่ยก็เรียกว่าทองคําห่อห่อขี้หมาหอทองคำหอ่อขี้หมาไปไ ม, ไม่ไม่ทองคำหอ่อทองคําแล้วไม่ต้องคำห่อเพชรแล้วเข้าใจไหมอันนส้ทิพระทิพย์นี้ไม่โลภไม่กรธไม่หลง ก, กับทองคำหอ่อทองคําทองคำห่อเพชรไปเ อ, อนี่ก็พูดตามสมมุติให้ฟังใช่ไหมเดี๋ยคนที่เป็นจริงๆอยู่ที่เป็นอยู่ที่ใจลงว่เสียนุอ ง, งเกขาสัน้นจางเลยสติเสร็จแล้วความคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอารมณ์มันมากระทิกระเท่าความคิดความบ่งแจ้งมา สติขเขาเห็นปั๊บมันดับปุ๊บเลยสิเนี่ยเกิดไม่ได้เลยสินี่มิสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเสมอพวกนั้นไม่มีโอกาสโผล่เข้ามาเลยพอ ก, กิเลสลบคนลงโผล่เข้ามาไม่ได้เลยสิเนี่ยโอ้เปลี่ยนผ้าได้ลวเลยะผ้าไปวัดใจประเสริฐใจอยู่เหนืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ดีก็เหนือมันอารมณ์ร้ายก็เหนือมันอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกคนเหนือหมดนะหมดไม่ติดอารมณ์นะ ยุ่นนืออารมณ์เรา้นค น, นอารมณ์หมดพ้นทุกหมดเลยพ้การปรุงแต่งหมดเลยตอนนีอ๋เป็นพระได้แล้วเมื่อกันนี่เราก็ใจเราเป็นพระก็คือใจละกิเลสได้ใจไม่มีกิเลสใจไม่มีทุกข์ที่ไใจเป็นพระได้ร่างกายเป็นแล้วก็เช่างองมาเลยแต่ว่ามัน อ, อยู่ในศินเนี่ยมักมีองแปดนี่นก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นทุกเห็นเห็นให้เกิดทุกเห็นความตับทุกเห็นวิธีทําตับทุกเห็นอริยสี่ ด, ดําริสัมมาสังกรปร์ดริออกจากกาม แล้วกี่เวลาไปถึงเท่าไหนเนี่ยโอ้จะหมดเวลาเลยพูดเลยเกินไปอ่ะทีนี้ก็ประโยชน์ของที่เรามาปฏิบัติธรรมคือวิมุตต์นะคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความดีความชั่วความผิดความถูกไม่เจ็ดอยู่เหนืออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญบาสนั่นแหละเป็นใจเป็นพระแล้วเข้าใจไหมใจประเสริฐละขอญาติโยมทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมใจเป็นพระใจอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วเนะ เนโรนกกนโลบเนรกดนรุลงจิตใจปลอดปลงเบิกบานอยู่เสมอด้วยกันทุกท่านเชิญรับตาเช่น